ชีวิตของคนเราปัจจุบันมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเป้าหมายสูงสุดที่ยิงก็คือมาดับอวิชชาอาวิชชาแปลว่าความไม่รู้นะอวิชชามันวงกลมนะสังขารวิญ ญ, ญาณ น, นามโูกมาเนี่มาเนี่ยมา น, นี่อวิชชาทั้งเกิดสังขารสังขารก็วิญญาณ นามรูปอายตนะพัสสะอวิจาริยาปิยาสังขารสังขารปิยานามรูปอายตนะพัสสะเวทนาประมาณอย่างนี้นะอันนี้ทิศดีนะตัญหาอุปาทาน กว่ามันจะทุกมันนานอยู่นะเนี่ยม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ยดูนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บป๊ป๊ป๊ป๊ป๊ป๊ป๊ไปเนี่ยจิ๊กซอสิบสองตัวต่อกันสร้างจังหวะดีๆเนียเห็นไหมนี่เอาตัวนี้มาต่อตัวนี้มาต่อตัวนี้กว่ามันจะเป็นทุกขึ้นมาได้มันไม่ใช่ของง่ายแต่ของเรานี่กระแสมันหมุนนะเปนทีไปนะหมุนทีเดียวเป็นทุกเลยอ่ะ ธรรมจักกับประวติหน้าสูตรการหมุนของธรรมธรรมที่มันหมุนความมันจะหมุนได้นะธรรมะจักสูตรนะหมุนตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่อะไรเริ่มต้นตั้งแต่สมาธิธรรมสังกปะสมาวิจารสมากรรมตะสมาอาชีววายมะสติสมาธิกว่ามันจะเป็นตัวตนให้นะสมาธิฐิ สมาธิทีก็คือการเห็นรูปเห็นนามนี่แหละในเบื้องต้นนะเห็นกายเห็นความคิดนหละความมันจะหมุนได้มันหมุนเร็วมากแต่ยิ่งมันก็หมุนช้าเพราะสติเขาไปเจอจามมันจะช้านะตัณหาอุปทานอันนี้ก็พบพบภูมิยู่นะก็เป็นกาชาาัชาชาชรามลณนะ โศกก็ได้เลยนี่โศกะปลิเทวทุกโศกเศร้าเสียใจที่ใดละมันกว่ามันจะโศกนะมือนหมุนดูดิเนี่ยพัดลมนี่กว่ามันจะหมุนเกิดลมต้องได้ความเร็วรอบกันนะรถยนต์ก็เหมือนกันนะเห็ุไมมันจะเกิดขึ้นเพราะความเร็วรอบมันพอทกก็จะเกิดขึ้นก็กว่ามันจะไดความเร็วรอบอยากถ้าเราไปเฝ้าดูไอ้ที่รู้สึกตัวรู้สึกตัวนี่ เราต้องการทาตัวนี้ให้ปรากฏอวิชชาเอาขยายทีนี้อวิชชานะแปลว่าไม่รู้อวิชชาแปลว่าไม่รู้แจ้งไม่รู้แจ้งในอริยสัจความรู้ที่เรียกว่าวิชชาเนี่ยเป็นยังไงอวิชชามันตรงกันข้ามกับตรงข้ามกับแจ้งนะเนี่ยรู้แจ้ง ที่รู้แจ้งเน่ยเอาขนาดไหนถึงเรียกว่ารู้แจ้งบางคนได้อารมณ์น้อยๆกลับไปบ้านจะคุยว่ากูบรรลุแล้วเนี๋ยวฟังดูดีๆนะบรรลุหรือยังรู้แจ้งหนึ่งสองสามมีวิชามันมีวิชาเขาสามารถอธิบายได้หลายในวิชารู้แจ้งสามอย่างรู้แจ้งห้าอย่างรู้แจ้งแปดอย่าง กูแจ้งเก้าอย่างกูแจ้งสิบหกอย่างกูแจ้งเจ็ดสิบสามอย่างอยากฟังตัวไหนตัวเจ็ดสิบสามนี่ใช่ไหมก็เราเราตีสี่นี่แหละขยายไงมีพพุทธเจ้าคนเดียวที่ทําให้เจ็ดสิบสามอย่างสาวกเนี่ยทาไม่ได้อันเนี้ย สงวนไว้สุหรับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทำได้รูปเดียวคนอื่นทำไม่ได้นะแต่ไม่จะเป็นอันนี้มันเป็นทักษะพิเศษมันคนเรียนรู้จบปอตรีมาเนี่ยความรู้พิเศษเขาเยอะแยะถ่ายรูปก็เป็นทงสาบูนก็ไดนะ้ทำอะไรหนะททำงานเขาทำเป็นสารพัดน่ะนะ อย่างาคนจบพิษวะคอมก็เป็นแต่คอมอย่างอื่นไม่เป็นนะแต่คนนี้อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยวิชาหลักๆคือสามันนี้ต้องรู้แจ้งสามมันเนี่ยแต่ว่าเป็นในเยอะแยะเป็นหมดเลยเนี่ของท่านความรู้ท่านเกิดขึ้นมามโมศนะพระกุบาีเคยเรียนวิชาตัดผมไปบวชเป็นพระกับเขารู้แจ้งสามมันนี้ ตับทุกได้แต่ตัดผมเป็นเนี่ยคนที่ตัดผมเนี่ยเป็นเนี่ยในระ บ, บวุแล้วในวิธีเขาห้ามเก็บเครื่องมือตัดผมเอาไว้ใกล้ตัวเพราะมันจะเกิดอารมณ์เดิมขึ้นมาเหมือนกันนะช่างเสริมสวยมาบวชห้ามมีข้างเชื่อมเครื่องเสริมสวยติดตัวเพราะว่ามันจะเสริมสวยให้คนอื่นหรือบางทีมันก็เสริมสวยให้ตัวมันเอง เวลามันมาปฏิบัติทํากระจกมันบางคนเขากกรจกเล็กๆนะลุตงตาเห็นเอากระจกเอาไว้ในห้องน้ําซื้อมากระจกใหญ่ๆเล่อยในห้องน้ําเพิ่มไม่ได้พอเข้ า, ามรรษามาพระขโมยไปไว้ไประจํากุฏิแนละ้วไปส่องเสริมสุตผมมันไม่มีมันยังจะเอาไปอีกหวีมันก็ไม่ได้ใช้มันยังเอาไปอีกนะดูดิลูกจะเอาไปทําไม้ไปส่องดูอะไรอ่ะ สองดูรูปดูนามอะไรอีกเอา้าความรู้สามมาเนี่ยเรียกว่ารู้แจ้งนะดูนะแล้วมันไปตรงกับตรงนี้ตรงไหนเนี่ยนี่อวิชชาเขาว่ามาทำลายอาวิชชาคือความไม่รู้นี่เสียไม่รู้เนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้มากเราก็วัดเอาแค่รู้ตัวมาฝึกสติให้รู้ตัวทั่วพร้อมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเดินไปไหนให้มีแต่ความรู้ตัวแต่ความรู้ตัวนี่พอไหมไม่พอ ความรู้ตัวเพราะว่าในบางทีความรู้สึกตัวชัดเจนเนี่ยถ้ามันไม่กลายเป็นปัญญามันไม่เกิดญาณทัศนะขึ้นมาก็ถือว่ายังไม่ใช่การรู้แจ้งรู้ตัวตลอดนะ้ะไปมานี่รู้รตัวชนะงๆทำอะไรก็รู้ไปหมดแต่ว่ามันยังไม่เกิดญาณทัศนะขึ้นมาไม่เกิดการตื่นโพงการรู้แจ้งขึ้นมาก็ยังไม่มีผลกับชีวิต เราได้แต่รู้ตัวเฉยๆดังนั้นปฏิบัติธรรมบางคนก็นหลงตัวเองว่าได้รู้ตัวดะงนั้นต้อได้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยชีวิตเนี่ยต้องเกิดปัญญาแบบนั้นด้วยถ้างั้นก็จะไม่มีผลอะไรนะนที่ยกมือสร้างจังหวะนี่นะ่ะสะสมความรู้สึกตั ว, วเพื่อให้รู้รู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมาก ข, ขึ้นเหมือนอัดแบตเตอรี่เนี่ยเ ข, เขาจนมันรู้แจ้ง ต่บางทีได้จะแบตเตอรี่บางทีเนี่ยบางคนยังหาแบตไม่เจออีกถ้ามันประกอบใส่ฝักแสแล้วมันบีตบต๊อกก็ไปอาไฟสว่างไว้เขาจะให้มันเป็นแบบนั้นแหละเดี๋ยวนี้ตัวสว่างคือปัญญาปัญญาคือความรู้แจ้งนะตัวนี้นะรู้แจ้งอะไรหนึ่งรู้แจ้งอดีตรู้แจ้งปัจจุบัน อนาคตรู้แจ้งได้ยังอดีตือแต่ว่าการรู้แจ้งอดีตเนี่ยรู้แจ้งอดีตอดีตที่สะสมมาจนทั้งหายไปหมดเลยนะมันรู้แจ้งเนี่ยซักฟอกจิตเราที่ติดอยู่ในอดีตนะเขาเรียกว่าต้องเกิดญาณเนี่ยความรู้สึกตัวนี่ต้องพัฒนาไปเป็นตัวนี้นี่ความรู้ที่เป็นมุญาณ ไม่ใช่ความรู้ตัวธรรมดานะไม่ใหม่คือความรู้ตัวธรรมดานั่นก็ทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกอ น, น้รู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมอนเด็กแะ่ะทำให้มันโตเป็นผู้ใหญ่ให้ได้ให้มันรู้ตัวเยอะเยอะมันเกิดมากมากยานความรู้ถ้าเพอเพอมีตัวนี้อีกนะยานทัศนะการเห็นด้วยยานเนี่ย ตัรู้ตัวท่วพร้อมเห็นเนี่ยมันถึงจะเป็นยาณทัศนะถึงจะเป็นเห็นแย้งอันนี้ทีนี้กว่ามันจะเป็นยาทัศนะมันเริ่มจังหวะไหนเนี่ยถ้ามันเกิดตัวนี้นะมันเกิดเป็นภาวะนี้แล้วเกิดยาณทัศนะเห็นอดีตตัวเองแล้วสามารถลบอดีตได้อุปทานนี่นี่นเห็นอดีต ดู น, นั่นนี่มันสะสมนะอวิชชาไม่รู้แจ้งก็เกิดสังขารสังขารแปลว่าอะไรนะอะสังขารแปลว่ายุงมันว่าอาหารมันนะเนี่ยเราก็ว่ากินกูยุงก็ว่าอาหารกูแล้วที่จริงของใครเนี่ยอืม เราก็ว่าตัวเรายุงก็ว่าอาหารมันตัวตืดที่อยู่ข้างในนี่เขาว่าบ้านกูมักวว่าบ้านกูเนี่ยแต่เราก็จะฆ่ามันเราหาว่ามึงมายุ่งกับชีวิตกูแล้วจริงจริงของใครเนี่ยบ้านของใครนี่นะรอบหลางหน้าตาแขนขาเนี่ยมันมาอย่างนี้เละเนี่ยเนีี่ยเพราะมันไม่รู้นี่มันไม่รู้แจ้งอันนั้นมันจึงปรุงแต่งอันนี้ มันที่เกิดสังขารเนี่ยที่มันปรุงแต่งกวันนี้เพราะมีอวิชชาไงมันไม่เกิดปัญญารู้แจ้งสักทีเนะี่ยมันจะปุ๊บปุ๊บป๊บเนี่ยสังขารวิญญาณวิญญาณความรู้มีสขานปรุงแต่งเพราะปรุงแต่ ง, ง, ตงได้สักพักหนึ่งตั้งได้สักหน่อยเกิดแล้วรู้อยากรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้อยากรู้ความรู้ทั้งตาทั้งหูทั้งจมงูกออกไปแล้วนี่นามารูปนามารูปเนี่ย คือรูปของความคิดนะมาไหลไปแล้วมาแล้วผัสสะเวทนาตันหาอุทานนี่นี่นี่นี่นี่นี่คบภูมิเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นี่ทีนี้อันนี้นี่เกิดยาทัทนาเกิดการทำลายทำลายเนี่ยอดีตนี่ตัวนี้นะมันมาถึงนี่ในที่มันฝังไว้ในนี่นี่ถ้าเราทำลายนี่ปุ๊บมันไม่มีที่อยู่ทำลายพบทำลายชาติ ตรงนี้เยี่ยพบอยู่ตัวนี้ชาติตัวนี้มันจะฝังไว้นะ่ะมันชอบอะไรนะมันเป็นอุปท า, านยึดติดแล้วเกาะไว้แล้วฝังตัวเองอยู่ในนี้เหมือนมิบเนยะคือเขาขึ้นเครื่องบินวานลงในพื้นดินฝังอยู่พื้นดินเต็มไปเลยแต่ส่วนมาเขาจะยิงตามสนามบินเนะ่ยเวลาสงครามเนี่ย เวลาเครื่องบินคู่ต่อสู้ปึ้งขึ้นเตรียมตัวไปลบเพอเครื่องไหนมันปุ๊บขึ้นไปนี่อันนี้วีบปุ๊บเป็นทีเลยเติมเ ต, ม, ตมมันยิงขึ้งหมดเลยแต่มันลงไปมันจะฝังตัวเองอยู่ตามสนามบินอันนี้ก็เป็นแบบนั้นแหละเนี่ยมันฝังตัวเองไว้แล้วเนี่ยวันดีคืนดีมามเกิดอารมณ์อะไะเนี่ยไม่แล้วเนี่ยชาติมานี่ทีนี้ไอ้ตัวนี้เนี่ยเนี่เนี่ยเกิดยาในทัศนะ น, นี่เอาขนาดที่ทำลายอดีตตัวนี้ได้ตัวนี้ เขาเรียกว่าปุเพมียานรู้ปุเ พ, ปเพนิวาปุเพนิวาสานุสติยานองเกิดปัญญาทําลายอันนี้ได้นะพอทําลายนี้ได้ปุ๊บไอ้ที่มันฝังอยู่เนี่ยมีปัญญาถึงขั้นรู้เท่าทันนะอวิชชารู้สึกล้วนมากขึ้นสังขารต่วก็รู้รู้รู้ ร, รอันนี้ก็บไม่ทํางานละเนี่ยสังขารไม่ค่อยปรุงแต่งละดับได้ มันไม่ปรุงละ ว, วิญญาณก็ไม่ค่อยไปละนามลูกก็ไม่ค่อยเกิดเกิดนิดเดียวเองแต่ไม่ต้องไหลไปตามอายตนะเนี่ยปัสสะก็ไม่ค่อยมีเวทนาก็ผ่านได้และลึกรู้เฉยๆตัณหาก็เฉยๆอุปาทานก็เริ่มเห็นมันอะมันเกิดเริ่มเห็นเริ่มรู้มันแต่รู้สึกว่ามันจะฝังอยู่ในอดีตเนี่ยจิตเราเนี่ยมันมีอารมณ์ที่ฝังใจในอดีตเนี่ยนี่นี่นี่นี่ น, น, นี่แตพวกนี้มันผ่านได้นะมันไม่ค่อยมีอารมณ์อะไรนะเนี่ย แต่มันชอบมีอั น, นี้พุดธออกมาเนี่ยเนี่ยอยู่ๆก็เกิดปัญญารู้แจ้งสว่างขึ้นมาอันนี้ก็ถูกทำลายนะถ้าถูกทำลายปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าฝึกสติจนกรทั่งว่าเกิดปุเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยสามารถทำลายปุเพคืออารมณ์ที่มันฝังใจไว้ในแตาบางก่อนนะเนี่ยยานที่หนึ่งนะในยานสามเนี่ยนี่เขาเรียกว่าวิชาตัวแรกแต่ยากไหม ถ้าพูดอันนี้ใวันฟังตั้งแต่วันแรกสุดโอ้ยกรอบไปหมดแล้วนะที่พูดวันนี้มันคล้ายๆว่าเหมือนเราจะมีโอกาสอยู่เนี่ยพอะเห็นสร้างจังหวะดีๆ <acak> ของเราเนี่ยแค่รู้ตัวนี่ก็ลําบากแล้วเนอะรู้ตัวเดินไปเดินมาเนี่ยเอ็นรู้ความคิดก็มีแต่มันคิดไปมันคิดไปคล้ายๆว่ามันไม่ใช่คิดไปแน่ๆนะมันเข้าไปอยู่นะแน่ะมันเข้ามาอยู่แต่นี้เนี้นี่ยเนี่ มันเวิบเวบบบมันเข้าไปอยู่ในนี้ไม่ใช่เรารู้อดีตนะแต่มันชอบคิดคือมันชอบเข้าไปอยู่ในอดีตเลยคือไมันก็เข้าไปอยู่ในอดีตอยู่อดีตมันก็ฝังอยู่ในนี่แหละเห็นไหมมันจะเกิดความพอใจไม่พอใจอาการมันอะมันเข้าไปอยู่ในอดีตทุกวันทุกวันเลยเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปมันกี่ตลับแล้วเนี่ยตลับยหางความทุกข์เนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในนี้แหละ ที่เรารู้สึกมากขึ้นมากขึ้นมากขึกข้นอยู่ทรมเฮ้อมันชอบเข้าไปตรงนี้นะดึงมันออกมารู้สึกตัวมันมีเวทนากูก็ไม่สนปล่อยทิ้งกูจะดูมันตัวนี้กูจะขุดคุยมึตงตัวนี้เล็งเข้าไปตรงนี้เลยเนี่ยรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นเห็นมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอย่าเพิ่งให้มันเป็นนะถ้ามันเข้าไปในภพภูมิมันชาติชาลามรณะโศกมันจบเป็นเรื่องอย่าให้มันจบเป็นเรื่องเพราะมันปุ๊บตัดพงพบดีเลย ยมัเป็นเรื่องเป็นราวยืดยาวมาเนี่ยพอยืดยาวฝังมาพวกมันจะกลายมาเป็นอวิชชาอีกในวันสะสมอวิชชาสวะอวิชชาสวะกามาสวะภวาสวะวิชาสวะเวลาพระสวดเวลาเขาให้โอวาดตอนบวชนาค่ะท่านทั้งหลายบวชมาแล้วโดยท่านต้องทํานิพพานให้แจ้งนะทําอวิชชาสวะให้ได้กามาสวะภวะสวะวิชาสวะให้ดับ แต่หน้าก็ไม่รู้เรื่องหรอกโอู้หเรื่องเนี่ยมีคนอย่างมาบวชนี่อย่างมาบวชที่ไม่ธรรมดานะหนูจะบวชสามวันวนะั่นนะบวชสามวันเลยเหลือหนักนะสามวันโอ้ยสามวันนีนตดใส่ผ้าขาวยังไม่หายเหม็นเลยสึกแล้วมันจะได้อะไรเนี่ยแค่สังขารมันก็ไม่เอาไม่อยู่แล้วเนี่ย รู้สึกตัวพอรู้สึกตัวดูสังเกตนะพอรู้สึกตัวมา ก, มากร ๆ, ๆ, รๆรู้ตัวตรู้ตัวสตินะเนี่ยรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวเราจะเริ่มสติสังเกตว่าถ้าสติโตล่ะสังขารมันไม่มาเป็นสังขารคือมันไม่ค่อยปรุงสังขารแปลว่าปรุงแล้ววัดว่าสติเราดีขึ้นคือมันไม่ค่อยปรุงแล้ว มันไม่คอยป ร, งงงปรุงแต่งพราะมันแต่งปรุงแต่งปุ๊บกระดับได้ปรุงแต่งมากระดับได้ทีนั้นมันปลุงเพราะมันเคยเข้าไปในะมันเคยพบเคยภูมิเคยมันอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเคยอยู่แล้ว เ, เช่นง่วงเนี่ยง่วงมันก็ง่วงจัดนะไปถามโยมไส้เตียงวันนี้เป็นไงบ้างก็กดีแล้วไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่เลพิ่มดีขึ้นแลยไม่ค่อยง่วงมันดีหน่อยเนี่ยดีกว่าเมื่อวานเนี่ย แสดงว่าไอตัวสังขารปรุงให้มันง่วงเนี่ยเขาเริ่มทําเป็นแล้วมันก็ค่อยง่วงแล้วเขาทําเป็นมันไม่ปรุงมันมีอาการอยู่หน่อยแต่มันไม่อร่อยเท่าไหร่มันกว่าเนอะปรุงแตง่งซะอร่อยมากนะติดรสติดชาติมันเราเคยติดรสชาติมันอย่างเราเคยติดอาหารเนี่เราจะวิ่งไปร้านานั้นร้านนี้อยากกินนะแต่พอปฏิบัติทำเหมือนกันน่ะเราเคยง่วงมาเคยนอนมาจนเพลินเพินนะพอมาปฏิบัติทำไม่รู้อะไรอาวอร์อยู่มันคิดถึงไงรสชาติความง่วงเนี่ย ขะเดินจูงกงกูก็ยังกินไปเรื่อยๆเนี่ยมันรถชาติมันติดรถติดชาติไงเอาสร้างจังหวะดีๆทีนี้มันหยุดปรุงแล้วมันไม่ปรุงแล้วพอมันไม่ปรุงมันก็สบายดี่ถ้ามันไม่ปรุงมันจะไม่เป็นวิญญาณนะวิญญาณก็จะเป็นบางๆก็ดับก่อนนะวิชาสังขารวิญญาณสังขารถ้าดับตรงสังขารได้มันไม่ค่อยไปอ่ะมันไม่ค่อยไปไอ้นี่ยไม่ค่อยไปไอ้นี่เราเฉยได้ดับตรง สังขานมันปรุงแต่งก็ตัดออกก่อนถ้าปรุงแต่งเอาไม่ได้มันไปนะ่บิดบิดบิไปเนี่ ย, ยมันจะมาเลยเนี่ยอันนี้ตัด อ, อดีตได้นะเกิดญาทีหนึ่งยาดีสองตัดอนาคตทําเป็นไหมอีกแล้วทีเนี้ยบางคนอดีตไม่ค่อยทุกข์เลยอดีตปล่อยวางได้แล้วมาถึงนี้แล้วจัดการมันแล้วแต่อนาคตเนี่ยมันไม่ค่อยได้อล ย, อยาบางคนปฏิบัติทำแล้วก็อยากเป็นนั้นอยากเป็ น, นอนันนี้อยากได้ น, นั่นอยากได้อันนี้จิตเนี่ย อยากอยากกล่าอยากรวยอยากโน่นอยากนี่เห็นไหมนี่ความอยากมันมากับนาคตแต่ความอยากที่มากรบาดีตความโลภกดหลงเนี่ยตัณหาอุปทานพบตัวนี้เขาเรียกว่ากรรมนี่คือทุกทุกมันอยู่ตรงนี้เล่ทุกเนี่ยชาติชราวรณะโซกับปริเทว่าทูกะโทมณันอุบายาซาปีทูกะเนี่นะ ความเกิดความแก่ความร่ำไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแคนใจทั้งหลายแล้วเราสวดนะอภิเยหิวิปโยโคโทุโคอภิเยหิสัมปโยความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่เราชอบเป็นทุกข์ยำปิดทั้งนรารปติตัมปิทุกขัง มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้อันนั้นนั่นก็เป็นทุกนีทุกทุกอันเลยชีวิตเนี่ยทุกตลอดมีอันไหนบ้างไม่ทุกเน่ะถามอาจารย์พิยพัยนธเขาเมือนกีนนะครับชีวิตที่ผ่านมาปีนี้สุขกับทุกอันไหนเยอะกว่ากันเน่ะเขาว่าความสุขน่าจะมากกว่าเขาว่านะรนู้ามว่ามานั่งนี่พี่กี่ครั้งแล้วสี่ครั้ง นะอยากลับบ้านลรือยงอยากกลับแล้วง่วงแล้วยังง่วงแล้วกลับไปนี้จะทํางานได้ทํางานเข้าเวรยากดีเอาพยาบาลมาฝึกอีกที่โรงพยาบาลนะกินข้าวยังยังกลับไปกินไหมโอ้ยไม่กินไม่ได้เอาบวกเท่าอันอนั่นกลับไม่ได้อันนี้นก็ไม่ได้อันนั้นต้องไปทไํานี่ต้องมีแต่ความจำเป็นมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นแหละที่จําเป็นนั่นน่ะนั่งนานๆกับพิกจะเป็นทุกข์แล้ว ไปกินนี่ก็ทุกข์แล้กินซะแล้วก็จะนอนนอนซะแล้วก็อยากขี้อีกรโรคเมื่อขีอ้ขี้ไปขี้มาเป็นโรคค่อยๆเจ็บอีกโอ้ยสารพัดนะมันมีแต่ทุกข์เท่านั้นนะต้องกินน้ํากินโอ้ยสารพัดนะผมขนแล้วฟันหนังตื้นมากแป้งฟันล่างหน้าแต่ไม่แป้งก็ไม่ได้มันทุกข์ชังเกีดดูดิแล้วอะไรมันมากกว่ากันระหว่างสุขกับทุกข์เนี่ยมันมีแต่ทุกข์นะ เจ็บหลังเจ็บเอวเป็ียนปวดหัวปวดแผลปวดฝีปวดวิธีประสาทเนี่ยพองเป็นเถาเป็นดานเนี่ยเป็นหมดเลยนะเป็นลมวิงเวียนเน่ยมืดตาลายปวดขมับนะไม่มีอะไรที่ไม่มเป็นทุกข์มีแต่ทุกข์ตลอดครับเจ็บแขมเจ็บขาเจ็บส้นหลังบันเอวนะเป็นโรคกระสายเส้นเอ็นพิการรับประทานด้วยยา ธรรมโอสษดแต่ก่อานยามองตาถ้วยทองถูกไปถูกมาเอาไปท่ากระเศร้าจอยทีนมันไม่เศร้าจอยนะมันทุกตลอดเนี่ยเห็นไหมบางคนก็ได้ใส่แว่นตาแล้วนี่ยังไม่แก่เท่าไหร่เนี่ยตามันไปแล้วบางคนหูก็ไปแล้วผมก็ไปแล้วดูที่สังขารร่างกายขนาดร่างกายนี่มีนี่ไอ้ความคิดอีกแหละทีนี้ความอยากความพอใจไม่พอใจนี่เรียกว่าสุขเหรอ ไม่ใช่เนี่เล่นกับอ น, นิจจังนะี่แหละเล่นกับทุกข์ได้สิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์อย่างเราคิดอะไรเสมาพอใจสน้อยสน้อยมันก็ดับไปอีกไปเล่นเรื่องนั้นอีกเล่นเรื่องนี้อีกโดดไปเรื่อยคิดไปเรื่อ ย, ค, อยคิดไม่จบสิน้นไม่จบสิน้นจบไม่เป็นนะ่ะมีพระองค์หนึ่งในพุทธศาสนาคือพระที่ว่ายังวันก่อนพระนันทะนะ พนันทะมีน้องสาวชื่อรูปนันทะท่านพระนันทะนี่เป็นคนบวชบวชมาแล้วไปบิณฑบาตเห็นใครก็ชอบเห็นใครก็ชอบลูกสามเสร็จยิ้มาใส่บาตรกอ้าพระพุทธเจ้าพอดี่ค้นเข่าทาแท้ยิต่อกหายะหวะเลยไม่พอหลวงพี่พุทธเดชหลวงพี่อยากให้พระพุทธเจ้าติดต่อให้พอไปฉันข้าบ้านพระราชาลูกสาวพระราชามาประเคน ไก่ย่างวิเชียนบุรีก็้าร โ, โลตาเทศอย่างนี้แล้วไปก่อนเครื่องไก่ย่างวิเชียนบุรีพูดบ่อยๆในไปกรุงเทพเห็นยมยิ่งไปถวายใหญ่เบ่มเลยตายกูัแ <c> ล <oughs> ้วจะกินยังไงเนี่ยเลยไม่รู้จะไหวไงแต่ว่าเอามาพิเศษให้ดวงตาดวงตากระเบื้อเขาแอบไปถวายนะตอนถวายตัวหน้าคนเขาไม่ถวายเขาใส่ถุงใหญ่เริ่มเลย เวลาลงตาเขาไปพักนั่งพักสัหน่อยนะ่ะเอายิ้มของเาไปตด้แล้วเูจะกินยังไงเนี่ยเราก็พูดไปตามแฟชั่นมาเฉยๆเพราะขี่รถไปมีแต่วิเทียนบุรีวิเทียนบุรี่ไม่รู้เขาของจริงหรือของปลอมเหมือตามถนนทัทางนะก็เลยเอามาพูดเดี๋ยวพอไปแล้วเขามาถวายพอเข้าไปแล้วกลางคืนลงตาก็เลยเไปลงไปเลี้ยงปลาอันนี้พูดความจริงแล้วเนี่ยนี่ไก่ย่างเยอะๆนี่ลงตาไปเลี้ยงปลา ส่วนพวกปลาพวกปาปล า, ามันสวบกินน้าปลาเขาเยอะกลงท่านที่แรกก็นึกว่าจะเอาไปให้พระก็ <st> <ๆ>คิดบอกลูกคนนั้นเอ้ยถ้าพระกูกินถ้าพระกูง่วงวันจะทำยังไงเขาก็ <l> <c oughs> <c oughs> ว่าเขาจะไม่บรญญะบบรรยัง น, ดนลดิกินแล้วห่วงก็จะแย่แล้ว น, น, นี่เนาะเขาก็รู้ว่าเราไม่เข้มแข็งเท่าไรอยากกินมาเ้วให้ปลาดีกว่าว่ะยวนให้ปลา ยากลําบากเพราะมันไหลไปกับความคิดอยู่กับความปรุงแต่งทีนี้เอา่าพูดขยายนหน่อยนะอันนี้พูดไอ้ฟังเฉยๆนี่อันนี้เขาเรียกว่าปัจจิตจะสมุปบาทนะปะจําศัพท์คนนี้ด้วยนะไปไหนไปนี้มันจะได้ยินปัจจิจะสมุปบาทอ่านว่ายังไงน ะ, ะเออปฏจจิจะสมุปบาท แปลว่ากิเลสที่มันเกิดติดต่อกันไปเป็นทอดเป็นทอดเป็นทอดเป็นทอดถ้าเราตัดได้มันก็ไม่เกิดบ้านเราก็ธรรมดาเนี่ยปะก็คือปะนี่แหละเหมือนปะผ้าเนี่ยติดก็คือติดกันนี่แหละมันปะมันติดกันไปเนี่ยมันติดกันทีละชิ้นละชิ้นละชิ้นเนี่ยตัวนี้ติดตัวนี้มันติดตัวนี้ตัวนี้มันติดไปทีละน้อยถ้าเราตัดปุ๊บขีดอมก็ปฏิคือกิเลสหรือก็แสธรรมะที่เกิดขึ้นสมุบบาท มันเกิดขึ้นแล้วมันอาศัยกันและกันไปเรื่อยอย่างเงี้ยนคนไปอธิบายว่าพุทธิยารู้จักปฏิสุบทเนี่ยแสดงว่าพุทธิยารู้จักทฤษฎีสัมพันธภาพของไอสไตด์ดิคนละเรื่องกันนะคนละเรื่องกันอันนี้ถ้ารู้จักว่าความคิดเกิดยังไงนะพุทธิยามไม่ได้มีห้องแผบเพราะจะทําอนุภาคอะตอมมันแตกปะปะปะปะะไปเนี้ยไม่ได้ดูมานั้น แต่รู้ว่าความคิดมันเกิดแล้วมันติดกันอย่างนี้เฉยเฉยคนรู้สักจะทำแบบนี้ไม่ได้หมายความว่ามันจะรู้จากวิทยาศาสตร์นะอย่างพระรู้แจ้งเนี่ยเขาให้พาไปหาดูบ่อน้ำปีตัวเรียมน้ำมันก็ไม่เห็นนะเนี่ยเห็นหลายคนนะชาวบ้านวัวควายหายนี่เดี๋ยวมาแล้วถือทูบเทียนมาหาละมาหาหลวงตานะหลวงตานั่งทางในหน่อยควายหายอ๋อายกูวันนี้ เอาอยัางไงเนี่ยถ้ากูว่าไม่เห็นมันก็จะว่ากูไม่ขลังนะเนี่ยถ้ากูเห็นแล้วเนี่ยมันก็จะดังไปไกลเลยเนี่ยกูจะไม่ว่างเว้นเลยทีเนี่ยธรรมะกูไม่ได้สอนแล้วต่อไปกูจะได้นั่งทางําให้ดูควายหายนะเนี่ยจริงจริงมาดูธรรมะนะจิตอั น, นี้อะไรโอ้ยผูแจ่งตาใสากรุณาโปรดลูกช้างด้วยเถิดควายหายเขาขาโมยไป ตอนตเช้ายังไม่เห็นเนี่ยสองวันแล้วเนี่ยนั่งเข้าฌานดูให้หน่อยเถอะควายอยู่ทางไหนเนี่ยเราระดับจเจ้าอาวาสแล้วต้องมีปัญญาตามหลวงปู่ั้งมาคนนั้นยานแ ก, ะกะ้าเพราะเข้าฌานตลอดเวลาเลยมาดูดิเอาให้เป็นประโยชน์ดูดินี่นะเข้าฌานผมผาามาอย่างเรียบร้อยล่ะ อ้าวเธอลองทําดูดิอันนั้นหายนี่หายกับระเป๋าเงินกับโทรศัพท์หายเนี่ยท่านทําได้หมดอหะอันนี้นะปฏิจะสมบาทิมันปะมันติดมันต่อกกันอะติดตุ๊บตุุ๊๊บตไปเนี่ยถ้าเราเห็นเราตัดกระแสตรงไหนก็ได้อันเนี่ยแต่พอจริงๆคือทําให้เกิดวิชาในซาวิชารู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยตัดตัวนี้ได้สังขารได้ตัดวิญญาณได้ก็มีน้ํารูปก็เริ่มตัดได้อ้ยตนะ นะกระทบภรรษาเนี่ยมันไม่ปรุงแล้วมันจะเฉย เ, เป็นแล้วภรรษะก็ไม่เกิดความพอใจไม่พอใจแล้วเป็นธรรมชาติล้วมีจตรับรู้เวทนาเนี่ยก็ธรรมดาแล้วเวทนาแปลว่าสเสวยอารมณ์สวยอารมณ์อารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์ดีอารมณ์มชั่วอารมณ์พอใจไม่พอใจมันสวยถ้าทันเวทนานี้ก็ได้นะเพราะว่าในขันท่ามันเป็นนี้ รูปเวทนาสัญญาแล้วก็อะไรนะสังขารแล้วก็วิญญาณเนี่ยขันห้ามันจะเป็นนี้นะขันห้ามก็เกิดรูปพอเกิดรูปมาเกิดพอใจไม่พอใจเกิดสัญญาความจาเนี่ยเกิดสังขารความพรุงแต่งเนี่ยสังขารแล้วเกิดวิญญาณบนันนีไปแล้วนี่ไปแล้ววิ ญ, ญญาณทำงานทั้งหมดเลย บิญญาณจะเป็นตันหาไม่ตันหาเกิดอะไรก็อยู่ในนี่แล้วนี่แต่จากรูปมวทนาเนี่ยพอใจไม่พอใจมันอนักในี้จากจะห้าวิหนึ่งวิตัวนี้อจนานน่ะสิบวิแต่มันจะรวดมาเลยนี่ไม่ได้มันจะไปเย็นน้อยไปชมันไปด้วยกันเน่สัญญาสังขารบิญญาณ บางทีสัญญามันเก็บไว้แล้วข้างในเนี่ยอยู่ข้างในเราเนี่ยมันเก็บข้อมูลแบบสังขารนะพอกระทบปุ๊บไอ้ตัวสัญญาเราขึ้นมาทันทีเลยทํางานแล้วเป็นสังขารวิญญาณไปเลยนะมันไวนะบางทีอย่างบางทีต้องกระทบรูปก่อนเพอรูปเวทนธาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างบางทีมันเริ่มจากนี้ไปเลยนจากสัญญาเนี่ยบางทีกระทบปุ๊บมันจะเป็นสังขารเลยไม่ได้นะมันต้องเริ่มจากตัวสัญญานี่ก่อนสัญญาขัน สัญญามันฝังอยู่ในรูปปอะไรมันก็ฝังอยู่ในรูปอะไรเดี๋ยวพบชาติในอุปทานในตันหาหรือเวทนาพอใจไม่พอใจสุขทุกข์มันเก็บไปแล้วเก็บรูปในรูปของสัญญาแล้วก็ทํางานได้เลยอใจเรแล้วเราก็มาเฝ้าดูมันดูที่มันเป็นยัางไงาเริ่มที่ไหนเริ่มที่ใจเฉยๆก่อนเฉยๆ เลยฉยเฉยรูなな้เฉยเฉยนั่ไม่ใช you know. ่เฉยเฉยแบบไม่ร <ah> <|ja|>> bueno okay. ู้นะรู้เฉยเฉยรู้เฉยเยรู้สึกตัวมากคือเมื่อคืนดูทั้งว่าไอความรู้สึกตัวเนี่ยมันโตขึ้นอยู่ทั้งว่าตัวสังขารจะเกิดปุ๊บดับได้เคยเฉยสังขารมันจะปรุงแต่งเหรอเฉยตัดมันได้มันไม่ปรุงมันมาแวบมากก็ไม่ปรุงก็ดับได้มันมาดับได้มาดับได้เรื่อยๆ นั้นมันจะกลายไปเป็นวิญญาณล่องลอยไปหาคนนั้นคนนี้ออกไปทางตาหัวจมูกลิ้นกายใจกายเลยไปเนี่ยมันไม่เป็นแล้วเพราะมันทันไงมันปฏิจจสุบาทก็ถูกตัดเลยทีนี้นั้นคนไหนเห็นขันห้าเห็นจิตเห็นใจดูจิตตัวเองเป็นเขาเรียกวคนเริ่มรู้จักปฏิจจสมุปบาท ต, ตัดกระแสปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเขาเรียกว่าพิธเนี่ยเรามาปฏิบัติธรรมนี้เรามาเรียนอภิธรรมด้วยซ้ำไปนะ ทำมาเนี่ยมันจะลึกนเนี้ยคนสังเกตจิตเป็นเนี่ยมันจะรู้จักพอดูออกนะที่ถ้าเปรียบในมรรคแปดนะตอนนี้เพิ่งพูดไปนะมรรคแปดก็คือสัมมาทิธิสัมมาทิธิแปลว่าอันดับแรกแปลว่าเห็นกายสัมมาแปลว่าเห็นตรงเห็นกายเป็นกายเห็นรูปเป็นรูป ไอเราเดินนี่เราอยากให้มันเกิดสมาธิจิตเดี๋ยวนี้ให้มันเห็นตรงๆแต่พอเดินไปมันเจ็บมันเกิดเป็นเจ็บแล้วเป็นกายกูเป็นกูเจ็บกูปวดกูเมื่อยทีนี้สมาธิจิิในจิตแทนที่จะเห็นว่ามันคิดเฉยๆแล้วกระดับมันก็ไม่ดับนะ่ะมันก็ปรุงแต่งไปมันไม่เป็นสมาธิจิตให้นั้นสมาธิจิตก็คือเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่า เห็นรูปเห็นเวทนาเห็นสัญญาเห็นสังขารเห็นวิญญาณคือเห็นจิตเราล่ะมันเกิดแล้วก็ดับไนและมันเป็นไม่ทำเป็ี่ยนไม่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนะมันมาเกิดแล้วก็ดับได้เราก็เริ่มจากนี้พุทธศาสนาเริ่มเรียนจากที่นี่อนุบาลมาจากนี่ไปนี่เขาเรียกว่าคนเรียนชั้นอนุบาลทีแรกก็มานี่แหละอนุบาลก็มาเนิร์ตซ์ลี่ตัวสติในแล้วก่อน พอทําตัวนี้โตขึ้นโตขึ้นมันจะเริ่มอ่านเป็นอวิชชาแต่ว่าไม่รู้มันจะเริ่มรู้อย่างไม่รู้ไม่รู้สึกตัวมันจะรู้จักจังการเนี่ยมันจะเริ่มเห็นตัวสัง ก, การนูเห็นตัวปรุงแต่งแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเห็นตัวปุงแต่งในอันเ น, นี่มันเริ่มเห็ออกแล้วนะเริ่มดูเป็นแล้วเนี่ยเริ่มผสมกอไก่อ ก, กออาฆาขออาขาแล้วเนี่ยบางคน กไก่สลาอ่านว่าอะไรกรุงเทพก็มีนะมันไม่รู้เรื่องไงมันไม่รู้เพราะมันไม่รู้กาอ่านเดาสุ่มไปดิมันต้องรู้นะสุขทุกข์เกิดยังไงดับยังไงเนี่ยถ้าไม่รู้สุขไม่รู้ทุกข์เกิดดับยังไงตายชีวิตเนี่ยท่า น, นคนเท่าไหร่จึงมั่วไปหมดแล้วมีแต่ความสุขผูสบายไปเนี่ยผูเมาไปเนี่ยคนหนึ่งมาด้วยมันี้ คนผู้ชายนะ่ะมันแต่ว่ากินเหล้ามาใช่ไหมครับออกไปอยู่ห่างๆรัศมีรัศมีที่มันจะเหม็นมานี่นะไม่ใช่รัศมีอะไรนะมันเหม็นเกินไปไปอยู่ไกลๆมัามไม่ชอบนะเพราะว่าเวลาพูดแล้วมันพอพูดใช้เสียงเยอะๆเนี่ยยิ่งว่าหยุดมันจะหายใจแรงมันดูดเอามวอดเลยกินเหล้าโยมเนี่ยนะอย่าให้ได้บอกนะว่ากินเหล้าชนิดไหนมาเนี่ยวะ เพราะฉันไม่เคยรู้บวชตั้งแต่ตีนเท่าฟ้าหอยนั่นก็มาเรียนรู้อ่ะเนี่ยให้มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอสติมาโตขึ้นโตขึ้นบันดับวันนี้ได้ปุ๊บเนี่ยมันแจ้งเลยที่นี่นมันไม่มีเลยเอาวิชาก็กลายเป็นวิชาไปว่ารู้ครบหมดแล้วอันนี่เก็บได้ทุกตัวเก็บได้ทุกตัวเก็บเก็บเก็บเก็บก็บบก็บเก็บก็บก็บก็บก็บหมดะบางคนบอกโอ้ยมันไม่ค่อยคิดพอคิดนิดเดียวก็ดับไปแล้วคิดนิดเดียวก็ดับไปแล้วเอ้าใกล้แล้วนี่นะ มันไม่พอจะโศกไม่พอจะเศร้าไม่พอจะเสียใจนะ่นะะมันดับได้ดับได้ดับได้บางคนเป็นแบบนี้นะอที่ดับได้ดับได้เนี่ยอันนี้เขามีสิทธิ์เวลาเขาฝึกที่นี่มันไม่เท่าไหรนะ่ะเวลาเขากลับบ้านเนะี่ยมันเวลาเขาเปลี่ยนอารมณ์สักหน่อยนะมันจะเกิดการรู้แจ้งถ้าเขาประคองเป็นนะอาจจะไม่เกิดระเบิดที่บ้านหรือที่วัดหรือขึ้นรถหรือแพระล้นธรรมนี่นะเพราะว่ามันฝัง ความรู้สึกตัวนี่มันมันมันเก็บไว้เยอะเยอะเยอะยอะแต่ว่าความคิดมันไม่ค่อยเกิดพอเกิดมาก็ดับได้ดับได้ดับได้แต่ว่ามันไม่ใช่การรู้แจ้งปัญหามันมันระเบิดไม่ได้มันทําลายไม่เป็นนั้นมันต้องมีจังหวะของมันนะแต่ถ้าคนไม่สนใจกลับบ้านก็ปล่อยเลยเนี่ยกินเหล้าเมาไปตั้งแต่รั้ววัดนี่นะโอ้ยจบอันนี้ไอยกูไปกินข้าวหิ้วไรได้แว่กินก๋วยเตี๋ยวจะขาดซ้ำก่อยู่วัดนี่ย อย่างนี้ก็จบพอดีเลยอันเนี้ยไม่ได้อะไรเลยมันไม่แจ้งให้นั่นต้องระวังโอ้ยฝึกมาหลายโนบะแจ้งอยู่วัดอืออกมาข้างนอกวัดก็ค่อยๆเอาใจใส่ประคองไปเนี่ยจะเป็นได้นั้นสัมมาทิฏฐิก็เห็นให้ได้เนี่ยสัมมาทิฏฐิเห็นกายในกายเห็นเวทนาเป็นเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมเป็นธรรมเห็นอยู่เรื่อยๆเห็นอยู่ในสัมมาทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าเห็นสัมมาแปลว่าตรง เรแปล ว, ว่าถูกนะเนี่ยทําให้มันถูกทําให้มันตรงเห็นมันถูกเห็นถูกคือยังไงเขาเห็นว่ามันดับก็ต้องให้มันดับดิมันเป็นอนิจจังอยู่แล้วเนี่ยธรรมะนี่คืออนิจจังอนิจจังแต่ว่าไม่เที่ยงอนัตตาคือมันดับอยู่แล้วน่ะทุกอย่างมันเกิดแล้วมันดับมีไหมความคิดคิดขึ้นมามาม า, มาที่นี่คิดกี่ครั้งแล้ว คุณยายคุณยายคิดจี่ครั้งแล้วตั้งแต่มาเนี่ยโอ้โหคิดเยอะไหมวันนี้อ๋อคิดเยอะอันที่คิดขึ้นมากับอันที่ตัดไปเนี่ยอันไหนเยอะกว่ากันโอโ้อนาตานะใช่ใช่ใช่วันนี้ไม่ฟุ้งซ่านนะ ดับได้เยอะไหมอดับสนิทไม่เพราะจางไปโดยไม่เหลือของตนานั่นนั่นเองแต่ง่วงนี่ไม่เท่าไรโอ้ยนอยลงเยอะแล้ววันนี้วันนี้น้อยลงเยอะอืออตอนตาไม่รู้ว่าใครเอาความง่วงไปทิ้งที่นั่นนะใกล้ๆก็้กัยไผเลย เป็นพระท่านง่วงจัดเลยเอา้าใครเอาง่วงมาทิ้งเนี่มันติดเชื้อพระนี่ยวะไม่รู้ใครให้เอาไปทิ้งไกลๆศพของความง่วงเราเน่ะพราะเห็นข้ามันตายแล้วเอาไปทิ้งไกลๆอย่ า, อาไปทิ้งไว้ใกล้กลพระแถวนั้นมันซึมเข้าไปหาพระมันติดไปหมดนะฉันพอรู้นะจริงๆความคิดเนี่ยคิดเยอะขนาดไหนก็ตามเวลาเราเดินไปเดินมามันคิดเยอะแยะเลยความคิดแต่ความคิดมีกี่ครั้งที่ตามมาเนี่ย ไม่มีคิดห้าร้อยเรื่องก็ดับไปหมดแล้วจำไม่ได้แล้วมันดับไปแล้วมันไม่มีแล้วคิดไดเรื่องตอั้งแต่เช้ามานี่ตอนเช้าตื่นขึ้นมาปุ๊บคิดเรื่องอะไรก็อพอนึกได้อยู่แต่ก็ดับไปแล้วมันก็ไม่มีจริงๆมันดับไปแล้วความคิดที่มันเกิดอะไรมันก็นดับความคิดเนี่ยโดยโดยธรรมชาติของเขาโดยกฎนะนะ กฎธรรมชาติของเขาเนี่ยเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะกฎภาษาฝรั่งเรียกว่ากอดแต่วพระเจ้าพระเจ้าเวลามีอะไรเกิดขึ้นก็กดพระเจ้าช่วยพระเจ้าก็คืออธิจังรนั่นแหละนี่นี่นี่ธรรมชาติมันดับอยู่แล้วแต่ทําไมเราไปคิดตามมันน่ะมันจะดับอยู่คิดอะไรขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ดับมันสมมุติเรื่องนั้นขึ้นมาสมมุติเดี๋ยวมันก็ดับเดี๋ยวมันก็ดับทุกอยนานึงเกิดแล้วมันก็ดับ เกิดแล้วก็ดับจริงๆมันไม่มีเราสมมุติขึ้นมาเฉยๆเพราะเราเพราะเรามีแต่วิชาเราไม่รู้เราไปสะสมเราปรุงแต่งมันเคยตัวอะไรมันหมุนอยู่อย่างนี้นี่นี่นี่เขาเรียกว่าวัตฏะวนเนี่ยสังสารวัฏแหละนนี่นะวัตฏะทุกเนี่ยสังสารวัฏการหมุนวนในวัตฏะสงสา ร, รไม่ใช่ตายแล้วไปเกิดอีกนะแต่มันเกิดตายเกิดอยู่ในปฏิสุบาทนี้มันกลับไปกลับมาเนี่ยนั้นมันจะดับอยู่แล้วก็ดับเลยดิ อานาตามันไม่มีอยู่แล้วเห็นไหมพอมาถึงตอนนี้ก็ไม่มีอะไรถ้ามันมีอะไรมาน่มันนอนไม่หลับนะเนี่ยต้องจับมือกันไว้แน่ก่อยจะหลับเนี่ยยากนะมันไม่หลับนั้นถ้าตัดได้ทุกวันทุกวันรู้อยู่ว่ามันเป็นอย่างนี้ก็จะไปคิดมันทำไมอะตัดมันซาวางมันซฮะมันมาเองมันมาเองมันไม่ได้มาเองหรอกอย่างหนวดเนี่ย จริงๆมันมีเชื้ออยู่แถวนี้นะถอนนี่ก็ถอนแล้วนะถอนหนวดเนี่ยแต่มันงอกอีกลุนตาไปถามว่าหมอทำํำไมมันจึงจะไม่งอกกับมันนวดเขาบอกให้ปาดเนื้อบริเวณนี้ออกให้หมดซะนะถ้าปาดออกแถวนี้แล้วเชื้อมันจะออกหมดเขาว่าแล้วจะไม่มีวันงอกแม้แต่กูก็จะไม่งอกวันนี้มาคือต้องตัดบริเวณออกเชื้อมันเนี้เห็ดเนี่ยต้องดินบริเวณนั้นออกให้หมดอะมันถึงจะไม่งอก เดี๋ยมันยังมีเชื้ออยู่ไม่ใช่มันเกิดเองมันมีเชื้อเนี่ยมันฝังอยู่นีมันก็เอาแล้วเนี่ยมันย้อนกลับหลังมาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้วิชากับวิชาลาโมระโมระโซกรับเวลาโศกเศร้าเสียใจปุ๊บมันกับฝังในใโอ๊ยสันเสียใจในเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่เนี่ย มันก็ไม่รู้มันฝังแล้วมันพอใจมันติดอารมณ์ละเป็นวิบากฝังอยู่ในใจยิซะหน่อยเอาอีกแล้วเนี่ยเพราะมันไม่รู้แจ้งเหมือนเดิมขึ้นมาแล้วสังขารเจออีกกับปรุงแต่งอีกทั้งอีกเรื่องเดิมนล่ะเอาอีกแล้วหมุนไปอีกแล้วหมุนปุ๊บปุ๊๊บไปแล้วโศกเศร้าเสียใจอีกแล้วมาอีกแล้วเพราะมันไม่แจ้งเพราะไม่แจ้งเกิดสังขารอีกเนี่ยมันมีอาสวะอยู่ข้างในอ่ะไอ้กูคือเป็นโลกเนาะนี่คือบ่เศร้านอย่างไปคือทรงเก็บขานอนเี่ย อย่างควายเนี่ยนะเคยเห็นควายไหมโอ้กคเห็นวายควายเวายลามันเจ็บขาเราจะไปรักษาขาไม่ได้จริงๆมันเจ็บนี่นะหญ้าคลองเขียววันพปนะออภาษาไทยบะไรตรงมันบูรุเรืองหญ้าติดฟันมันเน่ยหญ้ามันไปกินมันจะถูกเครือถูกเถาวันเครือเคลือเกาะันเนี่ย แล้วมันจะเจ็บมันเดินมันจะเป็ น, นี้ควายนะเราเรู้ทันทีเฮ้ยอันนี้ยาติดฟันมานะเนี่ยอาการมันเกิดเนี่ยมันมีเหตุของมันนะ เ, เอาเอา้าก็เรือยอีลาอ่าขึ้นพออ้าปดออกทันทีเลยพอออกจากฟันมาเนี่ยหายจะเดินปกติเลยควายนะเดินแบบสบายๆนั้นบนันนอกเวลา โทษนะพวกหนุ ma, ่มๆเขาไปเที่ยวโสเพณีมาเนี่ยเวลาเขาเป็นโลกกระดี่นะเป็นโลกฝีเนี่ยเวลาเขาเดินนี่เขาเป็นเขาถามว่าเอ้าเป็นยังละอ้ายไปนะหญยาคองแขควเขาให้ยากญ้าติดฟันหมันว่านะตอนเป็นโลกนี้เขาจะบอกว่าหญยาติดฟันอ้เขารู้ทันทีว่าโลกอะไรมันมีเหตุของมัน นะเราอย่าไปดูตรงขามันดูตรงฟันมันอันนี้ก็เหมือนกันอย่าไปดูตรงที่มันมีปัญหานั้นต้องกลับมาดูตรงนี้กูไม่รู้เท่าทันความคิดกูเมื่อกี้นั่นมันไม่ทันเดี๋ยวนี้เราก็ได้แต่เป็นเรื่องเป็นเรื่องโอ้ยไม่ทันเรื่องนี้เราจึงโศกเศร้าลงาได้แต่คิดทบทวนคิดทบทวนคิดทบทวนคิดทบทวนบ้าวน่นควคิดทบทวนนะใจมันเริ่มเย็นลงเย็นลงแต่ไม่ไหมายว่ามันจะดับได้มันมันแค่มันเกิดวิชามันยังไม่เกิดโลกเนี่ยเขาไม่ได้พัฒนาจนทั้งว่ามันเกิดวิชาตัวนี้ ไม่ได้เกิดวิชามันมีแต่วิชาจะได้เจอทบทวนได้แต่คิดอันนี้พอปองตองอหยู่ต่อหาเหตุทาผลก็พอประคองแล้วก็ลืมลืมไปแต่ของเรานี่มารู้สึกตัวเลยรู้สึกรู้สึกรู้สึกตัวมากขึ้นมาขึ้นเพื่อจะไปทําลายที่มันเคยฝังอยู่ข้างในเนะทั้งหมดเนี่ยให้มันหายไปแล้วมันเป็นความโล่งความโปร่งความปามต ก, กตินะบางคนไปใส่ข้อมูลผีเอาไว้เยอะๆเนี่ยเห็นไหมอะไรดังเพราะเพระแปๆเนี่ยถ้ปิดไฟสลาเนี่ยก็นอนไม่ได้แล้วนั่เนี่ย มันมีข้อมูลไงมูลแปลว่าอะไรนะขี้เห็นไหมอันที่ไม่ดีดอันที่กลัวๆ ย, ย่าๆนๆนที่ไม่เข้าใจนะเขาเรียกว่าขี้ข้อมูลดูดิมูลสัตว์มูลวัวมูนควายก็ขี้นั่นแหละอันนี้ก็คือขี้กลัวขี้โกรธขี้โรคขี้โรคมันฝังอยู่ในใจเรือ่อยๆมันพร้อมที่จะเกิดนั่นเรามาเมี่ยนขี่มันบรวชมามาไปใส่อ้ายอ้ายไปใส่ เพราไอ้จะไปเมียนขีวะไปยังไปจัดการกับกิเลสเจ้าของแล้วไม่เมียนขีไปเมียนขีเขพื่อนคือไปจัดการกับทุกที่อยู่ข้างในที่มันฝังไว้บ้านเราเขาเรียกว่าขี่ที่มันฝาอเขาเอียนว่าสะวะสะวะเวลาเราพูดด่าคนเนี่ยเอ้ยรับไว้แล้วเกินนะี่ไอ้เศษสะวะนี่นนะสะวะสะวะคือไอ้ที่หมังมุมยันใจคือบัเป็นตาอาแล้วมันอยู่ลึก อ้าวหมดเวลาสามทุ่มพอดีแล้วเตรียมตัวหลับไปนอนัางใจนะ